ท่านฟังคะวันแรกของสัปดาห์นี้รายการสรนสนีสนทนาผ่านไปช่วงแรกแล้วนะคะท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมกรรมตามสมควรกับพระมารชาคาวโรที่ใช้พุทธวจนะในเรื่องนี้นำท่านกับอ่านประสูตรให้ท่านฟังบางคนในติดใจนะคะขอบันทึกเทปเสียงพระมาร์คล้วนๆได้ไหมจะนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติก็มาถึงช่วงเวลาที่2แล้วนะคะคือการที่จะได้เปิดทันที่ถูกปิด ดยพุทธวัจนะกับพระพบูบุญอภิปุนโนวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีค่ะในมัส ก, การกับท่านค่ะเชิญพานหลังจากที่ท่านได้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ต้องกราบเรียนท่านเลยนะคะว่าแม้กระทั่งดิฉันเนี่ยได้สนทนาธรรมกับท่านอยู่บ่อยๆก็ยังมีความรู้สึกว่าต้องการที่จะฟังต่อมาถึงวันนี้ค่ะขอ สนทนากับท่านต่อในเรื่องปฏิบัติอีกซึ่งหน่อยได้ไหมคะได้ได้ยินดีเลยเพราะวันนั้นเมื่อบันทึกรายการเสร็จได้ยินท่านพูดว่าเรื่องอดทนยังมีประเด็นที่ค้างและอยากจะให้ความรู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายใช่คือเอาเราเราเอาชีวิตประจำวันของเราเราไม่ต้อง อ, อะไรเลื่อนหรูอลังการมากเอาเด็กน้อยคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยทาไมเวลาเขาไปนั่งเล่นเกมเนี่ยเขานั่งสามชั่วโมงได้โดยไม่ไม่ขยับไปไหน แต่พอจับให้มานั่งเฉยๆนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยไม่พอครึ่งชั่วโมงมันมันบาละทนไม่ได้นั่งไม่ได้หรือจับมานั่งสมาธิห้านาทีทปวดขาไปไม่ได้ละเป็นยิ่งนีไปแล้วทําไมในขณะที่นั่งเหมือนกันคนได้กับทนไม่ได้ค่ะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองเรามาดูคนรักกันใหม่ๆแต่นคนรักกันใหม่ๆเนี่ยอุ้ยอะไรก็ทนได้หมดนะคุณโยมติว๋วกินข้าวแล้วก็เลอเออเข้ามาอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักจังน่า<ต> เ, เอ็นดูค่ะค่ะ เฉพาะว่ารักกันไปมากๆหมดรักกันแล้วเนี่ยนะแค่กินข้าวหกเม็ดเดียวเนี่ยด่ากันโอ้โหอินตรงตรงนังทนไม่ได้การทุรัทุเรศเลยนะค ะ, ะท<ช>ุท่านค่ะแล้วก็ที่อเอาแค่สองประเด็นตรงนี้เราจะพบว่าโอ้ความอดทนเนี่ย ม, มันมาจากฉันทะนะความพอใจเพราะถ้าคุณยังรักเขาอยู่เนี่ยคุณยังพอใจในตัวเขาอยู่อะไรอคุณก็ทนได้เด็กน้อยเล่นเกมอยู่มันพอใจในเกมอะไรอมันก็ทนได้แต่ล้าทนตรงนี้ของเขาเนี่ยเป็นทนจะนี่ว่าเป็นความสุขทนนะไม่ใช่ต้องเป็นความทุกข์ทนนะ ความสุขทนนี่ฉันไม่เคยได้ยินเลยนะครเนี่ย อ, อความสุขทนไม่ใช่ความทุกทนใช่คือเขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกก็จะไหมค่ะในขณะที่ถ้าเป็นทุกทนเนี่ยคือคือคุณจะต้องอย่างสมมุติอ่าคุณต้องทนเอาอ่ะอย่างสมมติเด็กช่วงห้านาทีแรกก่อนที่เขาจะวิ่งหนีไปเนี่ยช่วงห้านาทีแรกตรงนั้นเป็นความทุกทนความทนที่เขาจะต้องมีเจอทุกแต่เขาทนได้แค่นาที แ, แต่ในสามชั่วโมงตรงนั้นเป็นความสุขทนที่เขาใช้แค่สามชั่วโมงคือมันสุขสุขมากเลยไม่มีปัญหา ใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่มันอยู่ที่ชันทาที่เขาตั้งเอาไว้อย่างบุทธเจ้าของเราเอ่ยทาไมหิวข้าวท้องกิ่วเลยนะแล้วก็ไม่กินข้าวทำไมถึงทนได <c oughs> ้ตอนนั้นมีอีกตอนหนึ่งเป็นโพธิสัตว์อยู่ใช่ไหมเป็นนอนอหนีหนาวไปกับนอนกับวัวควายที่มันหนีออกมาจากคอกอย่างเงี้ยเป็นนอนอยู่กับเขาเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาตามวัวให้กับคอกอย่างเงี้ยเจอโพธิสัตว์นอนอยู่สมณะโคดมนอนอยู่เงี้ยก็ฉีใส่แล้วก็ไม้ยงหู พระพุทาไม่โกรธเลยทำไมไม่ทำไมทนเด็กพวกนี้ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่สัตวในตอนนั้นเนี่ยตั้งความพอใจในความที่จะได้สัมมาสัมปจนิยานพอใจในตรงนี้อย่างนักกีฬาวิ่งมาราธอนคุณยมติวเส้นชายอยู่ข้างหน้าอะไรอยู่ระหว่างฉันไม่สนผ่านหมดไปได้หมดเข้าใจไหมเพราะนั้นเพราะนั้นตรงเนี้ยเราบอกว่าคุณนั่งสมาธิอยู่เนะี่ยคุณเอาอะไรเอาจิตนะจิตที่เป็น นิ่งนะเอาจิตที่เป็นสมาธินะอะไรเกิดขึ้นมาฉันไม่สนอเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ในลักษณะไม่ทุกข์ไม่ไม่ทนไม่ใช่เป็นอดทนแบบทุกข์หรือไม่ก็อดทนแบบสุขก็ใจ่ไหมเพราะนั้นอยู่ที่เราตั้งชันท่ไว้ที่ไหนถ้าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะคุณก็ไปทุกที่ทุกทาง<ม>เราต้องรู้เป้าหมา ย, ยางไงสมมติคุณทำอาหารคุณโยมติวพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับตรงนี้ไว้แลภิกษุสองรูปนั่งสมาธิด้วยกัน นะคนหนึ่งก็ดูไกลในกายคนหนึ่งก็ดูไกลในกายทําไมคนหนึ่งจิตไม่สงบอีกคนหนึ่งจิตสงบเปรียบเทียบกับพ่อครัว2สนงํานะปรุงอาหารคนหนึ่งไม่รู้จักสังเกตรสชาติของอาหารนะทําอาหารได้ไม่อร่อยไม่อร่อยคุณก็ไม่ได้รางวัลสิอีกคนหนึ่งทําอาหารอร่อยคุณก็ได้รางวัลจากพระราชาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออาหารอร่อยทําทุกวิธีทางเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักเครื่องปรุงบางคนเอาไอซิ่ยู่เนี่ยไปใส่กับเขาเรียกว่าอะไรโจ๊กอย่างเงี้ย โจ๊กใส่ซีอิ๊วโอเคนะถ้ า, า, า, า, นะาน้ำปลามาใส่ซีอิ๊วนี่จะไม่ได้เอ่ยเอาน้าปลามาใส่โจ๊กเนี่ยมันจะกินไม่อร่อยค่ะลักษณะนี้เหมือนกันเราจะต้องรู้ว่าโอ้จิตของเราทาแบบนี้เราสนใจเรื่องนี้อย่างเดียวจิตเราสงบเข้าใจไหมค่ะเท่ากับว่าเราจะต้องมีความพอใจในความเพียรทางจิตและมีความพอใจในจิตที่สงบพอใจในจิตที่สงบใช่ จึงจะทําให้เราเกิดความอดทนถูกไหมคะถูกต้องในลักษณะที่อถ้าใช้ในการปฏิบัติก็จะสามารถใช้ความคําว่าสุขทนได้ไหมคะสุขทนนี่เป็นคําอาตมานะเขาเข้าใจค่ะแต่ที่ฉันกําลังจะเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งสมมุตินิยามแบบให้เราเข้าใจง่ายๆที่ไม่ใช่ผูทวัจนะเนี่ยเออเอาตัวอย่างการปฏิบัติเช่นว่าบางคนนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเอาคนเดียวกันเลยนั่งสมาธิบางทีเขานั่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ย ไม่ไหวจริงเขาเขาเหมือนกับผ่านแบบแปบ๊บเดียวนะปวดขาปวดอะไรไม่มีมันเหมือนกับไม่ได้ทนเลยคือเป็นสุขทนไงแต่บางครั้งนั่งคนเดียวกันเนี่ยนั่งสมาธิโอ้ยห้าห้าทีสิบนาทีนั่นะเปลี่ยนท่าละปวดขาค่ะอืเพราะอะไรทั้งที่คนเดียวกันนะค่ะทีนี้ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งอ่าเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยสุขก็ไม่ใช่ทุกก็ไม่ใช่อืต้องวางใจเป็นกลาง กลางๆ ก, ก็ยังไม่ใช่ก็ต้องทิ้งไปในที่สุดอย่างนี้เอามาบอกในกรณีนี้ได้ไหมคะว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นการทนแบบทนเฉยๆเอ่อคือความอดทนเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมอยู่ในมัดไงคือความอดทนเนี่ยมันจะมีอยู่หลายๆตัวรวมกันนะคุณโยมติวอย่างสมมติแต่เราพูดถึงทนที่เป็นแบบความสุขเนี่ยนะไม่ต้องทุกข์มากก็คือเป็นสมาธิละแต่เราพูดถึงทนชนิดที่ต้องแบบ มาปวดทนเนี่ยน ะ, ะก็จะเป็นสัมมาวายาม ะ, ะสัมมาวายามะก็มีสี่ส่วนในส่วนที่ต้องละอกุศลออกไปตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต้องมาทุกข์ทนเราก็ทั้งหมด ท, ทั้งนี้ความอดทนจะต้องอาศัยสติด้วยอาศัยอกุสมาทิฐิด้วยค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นอดทนตัวเดียวเนี่ยมันจะแบ่งยากอย่างน้อยต้องมีสี่องค์ประกอบแล้วในสมาสม า, สมาอะไรอะระยะมัคคิยงแปดค่ะงั้นคือว่าขอให้ท่าน มีความอดทนท่านจะอดทนได้คือเมื่อท่านมีความพอใจในการปฏิบัติถูกไหมคะพอใจในพอใจในจิตที่สงบพอใจในจิตที่สงบใช่และเมื่อพอใจในจิตที่สงบท่านก็จะมีความอดทนใช่ทีนี้บางคนพอใจในจิตที่สงบพอจิตไม่สงบแล้วอดทนไม่ไหวฉันไม่แฮปปี้ละนั่นเพราะว่าเขาตั้งมีมีมีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องค่ะ ดังนั้นถามต่ออะไรได้ไหมคะได้ได้แล้วฉันก็ไปเจอผู้ที่ได้สนทนาทํากันเขาก็เห็นเราจัดรายการธรรมะตั้งคําถามมาว่าทําสมาธิเนี่ยทําไมจิตมันวอกแวกบ่อยเหลือเกิน<อ>ค่ะคือทําสมาธิหมายถึงการนั่งนั่งแบบหลับตาที่เป็นรูปแบบใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเขบอกว่า ม, มันฟุ้งซ่านตลอดเวลาเลยเดี๋ยวโน่นมาเดี๋ยวนี่มาเดี๋ยวนั่นมามีสติไหมถ้ามีสตินั้นแก่นั้นก็โอเค เพราะว่าถ้าเรามีสติในความฟุ้งซ่านนั้นเนี่ยเราจะทําให้มันดับไปได้อันนี้ท่านกําลังบอกวิธีแก่วิธีรับมือแต่ว่าที่เขาถามว่าก็นั่งสมาธิแล้วตั้งใจมากเลยทําไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมมาจังเลยค่ะเรื่องโน้นมาเรื่องนี้มามันก็อยู่ที่อินทรีย์ของคนนั้นนะว่าเขาเขาสามารถควบคุมจิตเขาได้ระดับไหนนะเขจะสงบมากสงบน้อยเพราะว่าบางคนที่อาจจะไม่เคยฝึกมาเลยทําครั้งแรกได้ก็ทาได้ดีก็ก็มี ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าอินทรีย์เขาไม่เท่ากันถ้านี้คนที่ปฏิบัติตลอดเวลาหมายถึงว่าสม่ำเสมอแต่ก็ยังมีจิตเนี่ยมันก็ยังมี น, นู่นนี่นี่นั่นแวะเวียนมาอยู่เสมอเหมือนกันในยามปฏิบัติทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะ่ะมัน เป็นธรรมชาติของจิต ท, ที่จะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆอยู่แล้วนะค่ ะ, ะถึงแม้ว่าในสมาธิที่นิ่งๆเลยเนี่ยบางทีถ้าเราน้อมจิตไปรับรู้อย่างอื่นมันก็ไปได้เหมือนกันมันก็เป็นธรรมชาติของจิต ท, ที่จะไปรับรู้เนาะค่ะทีนี้มันมีอยู่ตรงหนึ่งที่ท่านพูดถึงการที่จะแก้ปัญหาการปรุงแต่งของจิต ท, ท่านบอกว่าให้ทาสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปใช่บุรุชาเคยพูดถึง เวลาเราทําอยู่ในสมาสังกปะเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอาจจะมีการอาการที่กายเมื่อยล้านะกายเมื่อยล้าจิตก็จะอ่อนเพลียคือหมายว่าจิตอ่อนเพลียกายเมื่อยล้าแล้วก็จะทำให้จิตเนี่ยหืนหน่าจากสมาธิในพระพุท้าบอกวิธีแก่เนี่ยคือทําสมาธิให้ยิ่งลึกลงไปคําว่ายิ่งลึกลงไปในที่นี้หมายถึงอย่างไรคะหมายถึงว่าเราก็อาจากฌานที่หนึ่งก็เป็นฌานที่สองอย่างนี้นะ อ ย, อย่างเรื่องที่คุณยมติพูดสักครู่เนี่ยว่าจิตมันจะไปคิดนู่นนี่อาไม่เป็นไรเราควบคุมให้คิดอยู่ในเรื่องที่ดีสัมมาสังกปะซะแค่นี้ก็โอเคนะแล้วถัดไปคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยเลยขึ้นไปอีกอย่างเงี้ย ก, ก็จะเหนือขึ้นไปเป็นชั้นที่สองละไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะเพราะฉะนั้นการไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวนะคะคือบางทีคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเข้าใจ ย, า, ย, ยากนะคะท่านใช่คือเหมือนกับว่า บอท่านบอกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธินิ่งๆสำหรับบางคนก็ <อะ S 1> ยังมีเรื่องโน่นนี่นี่นั่นเข้ามาอยู่ก็ให้พยายามพูดถึงในกรณีนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรุงแต่งของจิตนะค ะ, ะแต่เป็นเรื่องของปกติของจิตที่ท่านบอกว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนี่คือพูดถึงตอนอยู่ในสมาธิแล้วนะใช่ค่ ะ, อะตอนนี้อยู่ในสมาธิแล้วที่จะมีเรื่องโน่นนี่นี่นั่นเข้ามาโอเคทีนี้ท่านก็บอกว่ามันสามารถที่จะ ขยับชาญขึ้นไปถูกไหมคะใช่มันมันเป็นอาการอาภาษของจิตนะอย่างสมมติว่าเราเราอยู่ในสมาธิขั้นที่หนึ่งเนี่ยจะมีความยิดน่นนี่นั่นอยู่แต่ความาาคิดโนู่นนี่นั่นทั้งหมดเนี่ยเป็นบวกหมดอันนี้โอเคค่ะอันนี้นเป็นสัมมาสังกปปะอย่าง ท, <ช>ที่ท่านบอกแ ต, แต่ว่าท่านบอกว่าทําทให้มันเป็นชาญสองใช่ทีนี้ตอนไอ้ที่เราอยู่ระดับที่หนึ่งเนี่ยมีความคิดนั่นน่นนี่อยู่บางทีมันมีความคิดชั่วๆโผล่ขึ้นมา เราจะเกี่ยตรงนี้ยังไงงั้นคุณเลิกความคิดทั้งหมดเลยเรื่องขึ้นใประดันที่สองพอคุณเลืนไประดับสองไม่ต้องคิดอะไรละนิ่งอยู่อย่างเดียวเอาเดี๋ยวมันมีความคิดโผล่ขึ้นมามันจะเป็นอาพาธไงพระเจ้าเคยพูดถึงอาพาธไงค่ะนั่นแห ะ, ะสิคะที่ก็เลัสงสัยตรงนี้ที่ท่านพูดมาเนี่ยใช่ละหมายความว่าอาก็พยายามที่จะไม่คิดถูกไหมคะคือทําจิตให้ไม่คิดอืมใช่แต่มันก็ มีปรากฏออกมาแล้วเป็นอาพาธอันนั้นนะคะใช่แล้วฉันจะยัง ไ, ไงถึงจะไม่ให้มีอาพาธชายไปอุเบกขาอุเบกขาคือระดับที่สามค่ะไปอุเบกขาแล้วไอความคิดพวกนี้จะจะไม่มาเป็นอาพาธกับเราอีกความอาพาธของอุเบกขาคือความที่หลุดออกจากอุเบกขานั่นแนหะอาพาธพอแรงและค่ะท่านช่วยอธิบายถึงวิธีที่จะขยับจากการที่ ไม่คิดแต่ไม่ไวมีเรื่องแทรกเข้ามาว่าเป็นอ า, าพาธของจิตและท่านก็บอกให้ขยอบขึ้นไปอีกไปเป็นอุเบกขาอ๋ออันนีุู้้เช่าบอกไว้แล้วคือเพราะความจางคลายไปของปีติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีปกติอยู่เป็นสุขแค่นี้เองแค่สเตตเมนนี้นะเพราะความจางคลายไปของปีติคุณวางปีตินั้นได้ปีติคือความอิม่มเอบใจความสบายใจวางซะ เราจ ะ, ะเป็นอุเบกขาก็จะหนีอาพาธของจิตอาพาธของความคิดนั่นนู้นนี่ไปได้ที่ดีด้วยนะค่ะเนี่ยค่ะท่านฟังค่ะถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติไม่แน่นะคะท่านอาจจะบอกว่าเออก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าอธิบายไม่ถูกเพิ่งรู้ว่า เหมือนกับที่พระพุทธองค์อธิบายไว้เลยก็เป๊ะตรงนั้นเลยคืออาการทังจีบุชาอธิบายไว้หมดแล้วบางทีกา ร, ก, ารกำหนดบทพิเศชนะของเราเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องทําให้เราเราแมชกันไม่ได้แตนะ่ซึ่ ง, ซ, งซึ่งถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆก็คงจะทําได้อยู่ในสักวันหนึ่งนะคะก็<ม>เป็นการให้กาลังใจท่านไทบูลก็แล้วกันคืออาตมาตอนแรกก็ไม่ได้ว่ามันจะม า, มารู้เรื่องราอะไรพวกนี้นะเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนกระทั่งครั้งนี้เป็นหลักสูตรครั้งที่สาิบห้าแล้วนะวัดป่าละาอิงศูนืมค่ะ แล้วจะมีการหยุดสักครั้งหนึ่งไหคะพูดถึงเดือนไหนเดือนหนึ่งเป็นเดือนพิเศษพักผ่อนนะี้ค่ะก็มีแต่จะเพิ่มแหละค่ะไม่มีพักหรอกถ้าเกิดท่านมีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็จะพยายามให้อยู่ในช่วงสามสัปดาห์ที่มีช่วงเบรกคือเดือนหนึ่งมีสสัปดาห์ใช่ไหมเราก็ทําสัปดาห์หนึ่งอีกสามสัปดาห์แล้วก็พักอยู่แล้วเือนถ้าท่านผู้ฟังเนี่ย ต้องการจะฝึกให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปคือบางคนไม่รู้เรื่องอะไรที่เราพูดกันประมาณนี้เลยค่ะไม่เข้าใจเลยเหมือนกับพูดภาษาต่างประเทศคุณต้องมาปฏิบัติเองเหมือนอย่างเราคุณไม่เคยกินแกงฮังเลอ่ะคุณคุณยมติว๋วถ้าคุณไม่เคยกินแกงฮังเลคุณอธิบายยังไงเครือ่องปรุงไงมันไม่รู้เรื่องหรอกแกงฮังเลเปนยังไงนะ <c oughs> คะเพราะว่านี่คือเรื่องของการปฏิบัติ <c oughs> ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการศึกษาทฤษฎีอืมใช่ใช่ จึงต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องฝึกปฏิบัติถูกไหมคะถูกต้องเอาไปใช้งานเลย <c oughs> คุณนั่งเลยเดือนเมษาที่จังหวัดอุดรธา น, นีนี่ร้อนมากไหมคะท่านสำหรับการปฏิบัติค่ะเออถ้าจะปฏิบัติแล้วเราไม่ต้องกลัวร้อนเพราะเรามีแอร์นะคะแต่ฝั่งบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเมษาเนี่เป็นช่วงปลอดงานปลอดการ มากที่สุดจัดสงกรารหรือเปล่าเอ่ยดิฉันลืมดูเป็นทีไม่เป็นไรเขาไว้กลับเรียนถามท่านใหม่ก็ได้ได้ได้นะนะครับเพราะว่าเวลาเราก็ใช้มาตามสมควรทีเดียววันนี้เราก็ได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของอความที่จะปฏิการที่จะปฏิบัติ ท, ทําได้ดีเรื่องของความอดทนนะคะว่ารายละเอียดเป็นอะไรบ้างก็น้อมสักการขอบพระคุณท่านเพียงพู น, เ ป, น, นเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์พรานท่านฟังที่โคาค่ะและ นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะของรายการสรนสนาสนทนารวม2 ส, ส่วนด้วยกันนั่นคือคําความสมบูรณ์ในแต่ละวันของรายการนี้นะคะเรามาติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำค่ะตั้งแต่ตีห้ของทุกวันบางคนเนี่ยฟังกันจนเป็นญาติเลยนะคะฟังตามที่ต่างๆฟังในแท็กซี่บ้างฟังแล้วพบว่าพระอาจารย์ไม่สบายก็ยิอุตส่าห์มาบอกยานโนนยาณีด้วยวันนี้เราคงจะต้องลากัไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟัง การสัมมนากันนะคะแล้วท่านจะได้พบว่าความก้าวหน้าของท่านในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ